ปุชชาวิสั well, ช, ชนาธาตกับท่านหลวงตาณรงศักดี์ขี่นาอยต่อธรรมชาติแห่งความเงียบสงบของจิตเดิมแท้เวลาเข้าใจแล้วเข้าใจยาวเลยครับเอก็เข้าใจแล้วจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็จะไปเรื่อยๆาะจะไม่หลงกลับไปกลับมาวว่าเป็นผู้มีปัญญา ผมกับน้องโตก็กังวลกันมากเลยครับลงตาตั้งแต่คืนนั้นที่แบบยังไม่ได้คุยถลุนตาเพราะว่าเราสองคนเน่ะก็คือแบบเป็นห่วงอก็เลยไปกังวลละอย่างนี้นงครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็ทําให้สองคนรู้สึกดีมากผมคิดว่าแบบเหมือนตั้งใจจะต้องทําความเสี่ยงให้มันรู้เห็นทำจริงๆแล้วครับเพราะว่าเพราะว่ายังไม่เข้าใจก็พีเนี่ย ก็มันไม่มีคนจะช่วยลงตาทําอะไรดูแลใช่ก็เลยเหมือนเพราะว่าผมอ่ะก็รู้ว่ามีความเทียนจะมีแับกระตุกกระจิกไม่ได้ตั้งใจจะเอาจริงๆนะครับอืมพราะมีเรื่องมีราวอะไรทําให้รู้สึกว่ามันต้องตั้งใจจริงๆนะครับต่างๆอืงผมยังคิดว่าผมยังจะทําได้เทียนได้อีกเยอะครับแต่ยังไม่ไม่ทำเต็มที่เต็มี แต่วันสองวันนี้รู้สึกว่าพอมีเวลาเพียนกับเยอะหน่อยแล้วมันก็คําที่หลวงตาสอนก็ไม่ได้มีอะไรครับก็คือมันเข้าใจเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างที่หลงงตาอบอกค่ะว่าให้รู้อย่างเดียวไม่เป็นคิดนะครับต่างๆพอเดินจงกรมนานๆเรานก็รู้ว่าที่ผ่านมามันอยู่ในความคิดตลอดเลยอืจริงๆก็แค่สิดรู้ขึนมามันก็ไม่มีอะไรนะที่มันลบหลุดเปแค่นั้นเองแล้วเมื่อคืนเนี้ย พอผมเห็นจิตเห็นความคิดบ่อยๆพอผมกลับลงมาครับมันก็รู้สึกว่าตาตมองเห็นชัดหูเริ่มได้ยินชัดมากเลยแล้วเมื่อก่อนความคิดในสมองตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินเป็นเสียงคิดนะครับอืแล้วก็แบบสับสจคิดวาตัวเ <ใน S 1> องอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงเพราะว่าเคราวนี้มันได้ยินแบบชัดครับชัดในเสียงในหูตัวเองอะไรเงี้ยครับงความเห็น สายตาเห็นก็ชัดขึ้นแล้วก็เลยงงว่ามันไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในโลกเนี้ยโดยที่เมื่อก่อนไม่ได้ส่งจิตต่ อ, อมานดูอะไรเลยคือมันไม่ได้ตื่นอยู่ข้างนอกไมไ่ตื่นรู้มันมันถูกดูดเข้าไปไปรู้ใจข้างในแล้วมันถูกดูดเข้าไปแล้วไม่รู้ตัวตาไม่ตาก็มองพลาโมหูก็รับ ไม่ได้ยินร้อยเปอ็ชัดเจนร้อยเปเซตาก็ไม่เห็นชัดเจนร้อยเซ็ตจริงๆผมเป็นอย่างนี้เกือบคั้งชีวิตเลยนะครับเออมันถูกดูดเข้าไปมันตื่ไม่รู้จิตถูกดูดเข้าไปข้างในมันไม่รู้อันเนี้ยไม่ได้รู้แบบตื่นรู้ตื่นคือมันรู้ตื่นไม่ถึงว่าตามันก็มองเห็นชัดเจนเป็นคนปกติเนอร้อยเปอหูก็ได้ยินเสียงปกติร้อยเปเนต์ี่ยจมูกก็ได้กลิ่นเป็นคนปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ลิ้นก็รู้รสร้อยเปอร์เซ็นต์กายก็รู้ความคิด รูความรู้สึกร้อยปอร์เ็รับรู้ร้อยปร์เซ็นต์แต่ไม่ติดไปในาประตูใดทั้ประตูเดียวแต่ของท่านเนี่ยมันจาะเข้าไปที่ประตูใจต่อก็ปรเจอแล้วก็มันมันถูกดูดเข้าไปที่ประตูจาจประตูเดียวประตูอื่นเลยพลาดบัวมาครับก็มักจะพอมันดูเห็นคิดตลอดเห็นคิดตลอดเป็นอยู่นั่นเกือบน่าเกือบสองชั่วโมงเราเราไปมีตัวผู้นั่นไอตัวผู้ดูเราไม่มีตัวผู้เข้าไปดูตัวอันหนึ่งที่ตัวนี้มันต้องไม่มีตัวเนี้ย มันต้องไ ม, ม่มีตัวผู้เข้าไปดูถ้พอมีตัวผู้เข้าไปดูเนี่ยมันถูกดูดเลยครับความจริงเนี่ยมันมีแต่รูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อาการความรู้สึกมนึกคิดใจไหวๆๆๆๆแค่นั้นแหละแต่อย่างไงมันไม่มีเราไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวเราไม่มีรู้สึกไม่รู้สึกน้อยถึงนิดหนึ่งไม่มีเลยว่ามีตัวเราคือไม่มีตัวเรากับเสื่อไม่มีไม่มีความรู้สึกก็มีตัวเราเลย เหมือนกับว่าไม่ปรากฏเราเคลื่อนไหวเลยเราไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอาการใดๆแม้แม้แต่อาการของผู้รู้ก็ไม่มีมันมีแต่กิริยาอาการที่ถูกรู้ไหวๆไหวๆไหวๆแต่มันไม่มีมันไม่มีผู้มารู้อาการแต่เราเนี่ยมันมันเหมือนกับเงียบสงบแล้วก็ว่างเปล่าจากตัวตนไปเลยมีแต่ที่อาการของจิตไหวๆไหวทุกคิดทุกอาการในปัจจุบันแล้วก็ อาก็มีล er ูกมาให้เห็นหูก็ได้ไอ้เสียงก็มาได้ยินกลิ่นก็มาให้ได้รู้รสก็มาให้รู้สิ่งที่มาสัมผัสกายก็ให้รู้แล้วก็อาการไหวๆไหวๆไหวในใจสําคัญที่สุดคือประตูใจมันไม่มันไม่มีใครเข้าไปดูประตูใจมันไม่มีใครเข้าไปดูประตูใจไม่มีใครเข้าไปรู้ที่ประตูใจมันมีแต่อาการเห็นแต่มีแต่อาการไหวๆไหวๆที่ประตูใจทุกคิดทุกอาการ แต่ไม่ปรากฏเ <st ates> ราเลยไม่ปรกากฏผ <st ates> ู้รู้ไม่ปรากฏอาการของผู้รู้ไม่ปรากฏกิริยาการของผู้มาดูมารูไม่ปรากฏรู้สึกว่ามีตัวเราเลยไปดูไปรู้อะไรมีแต่กิริยาการไหไหวๆเหมือนกับตัวเราไม่มีเลยมันเงียบมันสงบมันว่างจากตัวตวนว่างจากตัวเราไปมีแต่กิริยาอาการอย่างเดียวตัวเราไม่มีมันจึงไม่มีใครถูกดูดเข้าไปไงพอมีตัวเราเนี่ยเข้าไปดูในจิตเราเนี่ย มันมีตัวเราลึกมีตัวเราถูกดูเข้าไปในจิตแล้วทีเนี้ยเวลาเรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตไม่รับรู้ร้อยเปอร์เซ็นหมือนกับเราดูแบบถูกดูเข้าไปในถ้ำมันไม่ตื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่ตื่นมันได้ตื่นมันไม่ตื่นมันไม่ตื่นรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่ตื่นไม่ตื่นคือนไม่มีสติกับปัญญามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการรู้ มันมันไปจ่อรู้อยู่ภายในประตูเดียวถูกดูดเข้าไปเลยคือไอ้กรณีเช่นนี้เพราะว่ามันมีอาการของผู้รู้มีอาการของเอาตัวเราก็ไปดูไปรู้เหมืันเลยถูกดูดเข้าไปทั้งตัวจริงๆมันได้มีตัวเราไม่มีอาการมันไม่มีตัวไม่มีอาการของตัวเราไม่มีอะไรไหวๆเลยมีแต่กิริยาการไหวๆไหวๆในจิตคือมีแต่ทำ ม, มารลงอ่ะที่เป็นกิริยาการไหวๆไหวๆไวไว ไอ้กริยาการของผู้ไปดูไปรู้หรือมีความรู้สึกของตัวเราไปดูไปรู้อะไรไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยแบบนี้ปัญหายไปเลยแต่มันก็เห็นอยู่ว่ามีแต่อกิริยาการไปไหวๆตัวมันก็เห็นอยู่ว่าตัวเราไม่มีไม่มีผู้ไปดูไปรู้แต่เห็นว่ามีกิริยาการไหวๆอยู่แต่ผู้ที่ไปดูไปรู้แล้วไปไหวตามไม่มีไปไหวตามอาการไม่มีมันรู้สึกว่า เดี๋ยวจะต้องกลับไปทําความเพียรนะตรงนั้นแต่หลวงตาพูดนี่เข้าใจครับว่าคือแม้ผมยังแบบทำความเพียรดูแต่ว่าในความในการดูรู้เห็นเนี่ยมันยังมีตัวเราไปดูรู้เห็นมันคงไม่ป่อยให้กิยาการเป็นไปตามของมันรวมทั้งผู้รู้ด้วยผู้รู้ก็ไม่มีครับเดิมมีตัวผมไปรู้ใช่ใช่กับปานที่ มันมีเวลากับมันเยอะมันก็เหมือนทำมันก็ได้ได้สอนเรื่อนะครับปิดตรงไหนปิดตรงไหนมันก็ดีขึ้นนะครับตรงต่างคือพอเรากินเราจังแล้วมันก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัเองขึ้นมาครับว่ามันน่าจะทําได้ครับเออนี่ยมันจะได้เป็นประโยชน์นะจะได้เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อตนเองพาตนเองพ้นทุกเป็นประโยชน์ต่อโลกช่วยเหลือคนอื่นได้ญาติพี่น้องได้ไม่งัจะรู้ไงก็ผิดก็ถูกครับเ้วช่วยเขาก็ไม่ได้ เขาพูดอย่างเอถูกหรือเปล่าเนี่ยมันรู้จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้จริงก็ไม่มีใครเชื่อเราครับางทีเขาพูดแล้วก็เราไม่รู้จริงแล้วก็หลงตามเขาอีกว่าอย่างนี้มันจะพากันหลงเข้าใหญ่ชื่อใครไม่ได้เลยตรนนี้ตรงเร่งแล้วเราจะได้เชื่อคนอื่นได้ชื่อญาติล้มไก่ถึกหรชื่อญาติพี่น้องก่อนได้ครับวันนี้หลวงตาได้พักมั้ยครับพักนะเอ้ยมันเรียมันเป็นวันนี้วันธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่สุขสาร์ที่ทำกันเลยจะัก คนตอนเด่นก็างงเลยถ้าเป็นสุสาอทิษฐานหรือวันนักขัตฤเลิก็มันจะงอมเลยคนเยอะเนี่ยก็ได้พักพักจริงๆก็สองวันเนี่ยอพอดีวันที่วันอะไรวันนี้วันจันทร์ั้ความจันทร์น้ำพานหรือว่าแต่พรุ่งนี้ก็จะมีคนเลิกมาแล้วพรุ่งนี้เนี่ยบัญชาการเด่นกับพวกมามานอนทั้งที่เนี่ยเวลาพอช่วงที่ไม่มีคนมันเยอะเนี่ย เหมาะในการปลูกพืชปฏิบัติธรรมมันมันเนี่ยเวลามันไม่มีคนนะที่นี่มันเงียบนะไอ้เงียบเนี่ยคือพื้นฐานของใจหรืิตเดิมแท้ๆเลยมันเป็นอย่างงั้นไงมันเงียบมันสงบมันเงียบมันมีมันสงบมันมีความสุขในตัวของมันอะความสุขก็คือไม่ได้ไปมีตัวเราไปจับอารมณ์อะไรมันความสุขมันเกิดจากไม่มีตัวเราไปไปคอยทําอะไรเพื่อให้เป็นอะไรไปค่อยดูไปค่อยรู้ไปค่อยยุ่งวุ่นวายไปค่อย หายเหตุผลไปคอยทําให้มันเป็นมันจะมีความทุกข์ต่อการพยายามทําพยายามดูพยายามรู้พยาพยามเห็นพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางมันยังเด็ดเหนื่อยมากเลยเหมือนกับมีแต่การทํางานทํางานทํางานทํางานเ น, นี่ยภายในอ่ะมีแต่การทํางานภายในภายในภายในมันเด็ดเหนื่อยเหมือนกับทํางานทั้งโลกเลยมีแต่ทำทำทำทำทำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้ น, นจริงๆแล้วมันช่จงที่นี่เวลาพอไม่ไม่มีคนมันเงียบเงีย มันเงียบมากเลยผมในช่วงไมีคนมันเงียบสงบเลยนั่นแหละคือพื้นฐานของจิตเดินสะเทหรือใจเดินสะเทมันมันเงียบมันสงบอย่างนั้นนหะมันเปรียบเหมือนในพื้นฐานของไอ้ไอ้ความเงียบสงบจิตที่เป็นจิตเดินสะทะกับบรรยากาศในธรรมชาติอ่ะมันเป็นมันเป็นอันเดียวกันคือความเงียบความสงบในใจเวลาผมไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีใครกระทบในที่นี้มันปราศจากผู้คนเนี่ยมันก็เลยเงียบ ในใจเราก็เงียบแบบนั้นแต่ข้างนอกมันเงียบเหมือนนั่นคือมันไม่มีเรื่องที่ต้องสอนไม่มีเรื่องคนมาเยอะแยะมากมายไม่มีปัญหาอะไรมาควนใจอภายในใจมันก็เลยเงียบสงบสงัดมากเลยเอาไอ้ข้างนอกมันก็เงียบสงบสงัดเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความเงียบสงบสงัดอันเดียวกันเือเดียวกันอันเนี้ยมันมันเปรียบได้กับจิตเดิมแท้ๆหรือเปรียบเหมือนว่าไอ้ความเงียบสงบแล้วย น, นะคือเราไม่ต้องที่ไม่ต้องทําอะไรแต่ กิริยาของจิตเนี่ยมันจะไหวไวๆของมันเนี่ยเราไปห้ามมันไม่ได้ไปแจกแจงไม่ได้ไปทําอะไรกันไม่ได้ปล่อยมันแต่มันไม่มีเราไปประกวดเราเราเนี่ยหยุดไปแล้วเราหยุดไปแล้วเราเราหยุดไปแล้วเราพักไปแล้วที่นุกตามหาบัวว่านิพพานคือจิตว่างงานเราปลดเกษียณแล้วเหมือนกับเราปลดเกษียณแล้วแต่เวลาพอเราทํางานในโลกก็ทําำทำทพอมาฝุดจิตก็ทำทำทำทำทมันเลยกลายเป็นทํางานหมดเลย ไม่ปวดกระเลียมมันเหมือนจิตว่างงานไปเลยอะแต่ไออาการของจิตในกิยาการจิตมันยังมีอยู่แต่ตัวเราเนี่ยมันว่างงานไปแล้วว่างจากงานพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรว่างจากการพยายามดูรู้เห็นละปล่อยวางมันมีตัวเราพยายามคิดค้นพยายามหาเหตุหาผลพยายามจะทำอะไรให้ตัวเราเป็นอะไรอ่มันหมดไปแล้วงานนะพวกั้นมันเน็ตเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยและทุกข์ยากลำ บ, บากม า, าก มันเหมือนกับว่ามันปลดกเกษียณแล้วปดกเกษียณทางใจคือใจที่ไปทํางานทํางานทํางานอาจะทํางานทํางานทงางใจอะมันดกดเกษียณใจมันก็เลยเงียบสงบและว่างเปล่าเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในที่นี้ที่ตอนไม่มีคนมันเงียบมันสงบมันว่างจริงมันเป็นวัดที่ทําสมื่อเนีมันห่างไกลหมู่บ้านคนไม่ได้ยินเสียงอะไรเเงียบรถลาเสียงคนั็ไม่มีรถลาก็ไม่มี เสียงเครื่องขยายเสียงอะไรก็ไม่มีมันเลยเงียบสงบสนั่นั่นแหละคือพื้นฐานของจิตเดิมจะแท้หรือใจเดิมแท้หรือหรือเปรียบเป็นเรา่าเนี่ยเราคือส่วนนั้นไอ้ส่วนกิริยาการที่ไหวไหวไหวไหวไหวมันเป็นกิริยาการปรุงแต่งของจิตอันนี้มันก็เกิดเกิดดับมันเป็นตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละแต่ไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม่มีใครพยายามไปดูรู้เห็นมันไม่มีใครพยายามไปไปจัดการอะไรกับมันมันมีแตไหวไหวไหวไหวจะไม่มีใครไหวไปตามมัน จิตเดิมแท้แเนี่ยมันไม่ได้ไหวไปตามมันจิตเดิมแท้แท้มีแต่ความสงบและความว่างเปล่าวความสงบความสงัดความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สงบสงัดและว่างเปล่าในธรรมชาติที่ในบริเวณรอบๆตัวเราในวัดเนี้ยในรอบๆเจดีย์เนี่ยแต่ของท่านมันพยายามนะมันพยายามเอาส่วนที่เป็นจิตเดิมแท้ไปหรือเอาตัวเราหรือส่วนที่เป็นจิตเดิมแท้เนี่ย เอาส่วนที่สงบและว่างเปล่าที่เงียบสงัดเนี่ยไปพยายามจะทําอะไรพยายามให้ดูพยายามให้รู้พยายามคิดวิเคราะห์พยายามจะทําความขยยาเข้าใจพยายามจะเก็บความเข้าใจให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นด้วยมันเลยมีแต่ทําทําทํเวลาท่านลาปกติถ้าเก็ไปทำงานเน็ตหลือท้งวันแต่พอมาเอาปฏิบัติทำท่านเกิภายในใจมีแต่การพยายามทําทําทําทํามันเลยไม่มีเวลาที่ที่จะสงบและว่างเปล่าจริงๆอ่ะมีแต่ทําทําทําทํามันไม่ว่างงาน มันมีหน้าที่ตอนหนึ่งที่มีคนไปเขียนเนวยนิพพานคือจิตว่างงานคือเขียนรูปตรงตามหาบัวแล้วแล้วเราก็เขียนข้อความนี้นด้ไรเงี้ยนิพานคือจิตวางงานว่างงานหลวงตามหาบัวไปเห็นโอ้ใช่เลยใช่เลยอันเนี้โดนใจท่านนิพพานคือจิตว่างงานว่าจากงานที่พยายามจะทําอะไรเป็นอะไรว่านจากงานคิด iting, วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่านจากงานหาเหตุหาผล่าถูกหาผิดพยายามจะทําอะไรเป็นอะไร มันจะไปกระทํากระทํากระทำกระทำมันเหนื่อยมากเลยเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยทุกทรมานมากเลยเหมือนกับการที่ท่านยังทํางานในทางโลกอะไรยังไม่ปกติอันเนี่ยมัะต้องเหน็ดเหนื่อยการทํางานทํางานทํางานทํางานหาเงินหาเงินพอมาปฏิบัติธรรมมันก็เพื่อให้พ้นทุกพ้นจากความวุ่นวายใจเอาพอมาปฏิบัติธรรมกลับไปแต่ทํางานทํางานทํางานก็เลยมาการมาเหน็ดเหนื่อยทางใจมันไม่ใช่ว่าว่างงาน ที่มันว่างใจนะมันว่างไม่ว่าจะกกากระทํามอะกระทธรมกระทํากระทํารมที่ลดก้นหาวิเคราะห์วิจารวิจัยตลอดสังเกต ด, ดูสิธรรมชาติเนี่ยเรารอบเจดีเนี่ยเงียบสงบสงับมากเลยนั่นแหละเรียบใจกับจิตดั้งเดิมหรือจิตเดิมแท้ในใจเราก็เงียบสงบสงัดอย่างนั้นเลยไมก่กระเพื่อมไม่ไหวติ้งอะไรเลยมีแต่กิริยาการของจิตแต่ไว้ติ้งอยู่ตลอด แต่จิตดั้งเดิมแท้ๆหรือเราเนี่ยอันนั้นเน่ยไม่ได้ไหวจรงอะไรเลยไม่ใช่ว่าตัวเราเนีเราไม่ได้หมือนที่พมีตัวเราแต่หมายถึงว่าจิตดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมันไม่ไหวจริงไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ไม่ได้มีกิริยาทํากระทําอะไรขึ้นมามันมีแต่ขันห้าหรือจิตที่มันกิริยาการของจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันก็ไหวไหวไหวๆเข้ามแต่เราเนี่ยไม่ปรากฏความไหวตามมันไปไม่กระเพื่อมตามมันไป ไม่ปรากฏกิริยาการไหวๆเลยไม่ใช่เราพยายามไปทําให้ตัวเราไม่ไหวจริงนะความไม่ไหวจริงมันเป็นความไม่ไหวจริงโดยธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าเราพยายามไปทําให้เราเนี่ยไม่ไหวจริงพยายามไปทําให้เราสงบสงดัดความไม่ไหวริงความสงบสงัดเนี่ยมันคือมันคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เหมือนกับธรรมชาติที่รอบรอบเจริญวัฒนธรรมเมื่ตอนเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่ไปปรุงแต่ง มันเป็นธรรมชาติพื้นฐานเดิมแท่แท้ของธรรมชาติที่บริเวณตรงนี้เพราะว่ามันห่างไกลหมู่บ้านไม่ได้ยินเสียงคนไม่ได้ยินเสียงรถลาเวลาไม่มีคนอยู่ที่นี่มันก็เลยเงียบสงัดมันเป็นความเงียบสงัดที่เป็นธรรมชาติแท้แท้ไอ้จิตเดิมแท้แท่เหรือจิตธรรมชาติแท้แของจิตแท้แท้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่เป็นธรรมชาติเพีเดียวกับไอ้ความความที่เงียบสงบตามธรรมชาติมันเป็นความธรรมชาติที่มันที่มันเป็นเองเงียบสงบมันเป็นเองไม่ได้ว่าเราไปปรุงแต่งเหมืนเงียบสงบ แต่ท่านดูนี่ในธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดเนี่ยมันก็มีใบไม้เนี่ยไหวๆๆๆๆๆเข้ามาเนี่ยเนี่ยท่ดูสิเนี่ยขนาดในธรรมชาติเงียบสงบเนี่ย่างเงี้ยมันก็มีใบไม้ไหวๆๆๆๆๆมาตลอดแต่เพราะลมมันพัดตลอดมาเนี่ยเะฉันมันมีธรรมชาติสองสิ่งมันอยู่มันอยู่ด้วยกันคือธรรมชาติที่มันไม่ไม่ไม่ปรากฏอะไรเคลื่อนไหวไม่ปรากฏอาการไหวๆเลยคือธรรมชาติที่มันเหมือนจบเงียบสงบสงัดและว่างเปล่าเนี่ย แต่ท่านดูดิเนธรรมชาติรอบเจดีเนี่ยมันจะเงียบสงบและว่างเปล่าอย่างไงก็ตามเนี่ยมันก็มีเนี่ยมีลมพัดมีใบไม้ไหวไหวไหวไหวไหวไหวมันเป็นยาวๆมันเนี่ยในความไหวไหวเนี่ยมันก็ไหวไหอยู่ในธรรมชาติที่เงียบสงบและว่างเปล่าหรือในธรรมชาติในทําการธรรมชาติที่เงียบสงบและว่างเปล่าเนี่ย มันก็มีมันมีก็มีธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งคือธรรมชาติที่มันไหวๆเหมือนกับใบไม้เนี่ยที่พัดไหวตลอดเวลาเนี่ยมันสองสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติในการทั้งคู่ธรรมชาติของความไหวๆกับธรรมชาติของความเงียบสงบและว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันทั้งคู่เลยไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่านกาลังพยายามจะปรุงแต่งให้ให้มันสงบเงียบและสงัดแล้วก็ว่างเปล่านี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น อันนี้มันมันผิดธรรมชาติท่านจะไปทําท่านจะไปกรลไรจะไปทําธรรมชาติเราจะไปปรุงแต่งธรรมชาติท่านไปปรุงแต่งธรรมชาติไม่ได้ท่าต้องหยุดปรุงแต่งมันถึงธรรมชาติในใจของท่านมันเรยมีสองสิ่งคือธรรมชาติฝ่ายหนึ่งคือความไม่ปรุงแต่งคือความสงบเงียบสง บ, บ่างเปล่ากับธรรมชาติอีกฝ่ายหนึ่งคือมันมีนความเดิคิดติดต่อปรุงแต่งของมันอยู่ มันเป็นธรรมชา ML ติที่คู่กันเข้าใจไหมเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยเข้าใจไหม่เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจยังไงตรงนี้ก็ผมไพยายามแต่งจิตให้มันให้มันไปรู้สื่นรู้ครับแต่งจริงมันมีความรู้วันหนึ่งที่มันไม่ต้องทําอะไรอะครับตรงกลาง คือผมก็ไปเอาเอาจิตนะครับเอาจิตให้มันรู้อะครับเอาจิตใช้จิตไปหาผู้รู้อะครับแต่จริงๆแล้วผู้รู้มันมันไม่ใช่จิตนะครับหลงตามันเป็นธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันนะครับ <Warning. S 2> คือผมเข้าใจว่าจิตเป็นผมไหมครับผมก็เลยใช้จิตไปหาผู้รู้แต่ถ้าเพียงแต่ผมเข้าใจว่าจิตนะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอนะ มันก็ใจมันก็จะเข้าใจว่าเหมือนตัวเรากายเราจิตเราอะมันเป็นธรรมชาติครับก็เลยความรู้ก็เป็นธรรมชาตินะครับเหมือนสองสิ่งที่อยู่ด้วยกันมันก็เลยไม่ต้องเอาอะไรไปทำอะไรเป็นอะไรครับเพียงแต่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับมันก็เลยมันจะมีธรรมชาติปัยพส่งกับธรรมชาติปัยรู้ครับก็มันก็เลยเป็นอิสระจากกัน ถ้าเมื่อเราไปวุนว่นวายกับธรรมชาติฝ่ายปุงแต่งมันก็ปุงแต่งจบจนกว่าจะตายนะครับแต่ถ้าเราไม่ยุ่งกับธรรมชาติฝ่ายปุงแต่งมันก็เป็นอิสระจากการนั่นก็แล้วแต่เราจะเลือกถ้าเราเลือกจะไปอยู่ฝ่ายปุงแต่งมันก็ดิ้นไม่หยุดถ้าเลือกที่จะอิสระจากฝ่ายปุงแต่งมันก็จะไม่หยุดดิ้นแต่เราเคยชินกับการอยู่กับความปุงแต่งนะครับ มันก็เลยมันก็เลยกลับไปจับความปรุงแต่งเลยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไระครับแล้วแต่ว่าเราเลือกฟัอยู่ฟังไหนนะครับน่าจะพอเข้าใจครับแล้วก็ขอก็ขอไปพิจาาตัวเองเงียบๆแล้วก็ค่อยดูัดีลนบะดีละฟังฟังหนต า, านี่รู้แล้วครับว่าเมือนเมื่อคืนที่ทําความเพียรอยู่ก็มีตัวเราไปดูรู้เห็นทักอย่าง ก็คือก็ไปปรุงความรู้อยู่แม้มันเห็นจิตละเอียดยังไงเห็นทุกอย่างละเอียดยังไงมันก็อยู่ภายใต้ตัวเราอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันก็เลยผู้รู้มันเลยไม่ปรากฏเพราะมันมีตัวเรามันมีตัวเราที่มันหลุดจากความรู้ก็คือมีธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่สร้างจําลองขึ้นมาว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไปรู้ความปรุงแต่งอย่างดกเว้นรู้ตัวมันมันก็เลย แต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะเข้าใส่ครับแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ๆเราจะเข้าสู่ความปรุงต่างไม่ได้ผมก็เลยต้องปรุงแต่งความตื่นรู้ไปเรื่อยๆต่อๆไปไม่ใช่เหตุงั้นถ้าจะเป็นป่ายปรุงแต่งตลอดอเมื่อไหรใน่เราสิ้นเอาตัวเราไปปรุงแต่งคือไม่ไม่มีตัวรับปรากฏไม่มีตัวรับป ร, กราปรกฏเป็นความปุ้งแต่งอะไร มันก็เลยกลารเป็นธรรมชาติสองสิ่งธรรมชาติฝ่ายหนึ่งคือไม่ไม่ปรากฏอาการปรุงแต่งไม่ปรากฏอาการอะทั้งหมดเปรียบได้กับความเงียบสงบสงัดความว่างเปล่ากับธรรมชาติอีกฝ่ายหนึ่งคือเป็นธรรมชาติที่คิดนึกติดตรองปุงแต่งอะไรของเข้าไปตามเหตุตามปัจจัยธรรมชาติสองสองสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่คู่กันคือธรรมชาติที่ปุงแต่งเแม้มันก็อยู่ในมันปรุงแต่งอยู่ในทาารามกลางธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง ธรรมชาติท hmm. ี่ไม่ปรุงแต่งนี้ก็อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่ปรุงแต่งนี่แนมันอยู่ได้กันนี่แนมเพราะว่าธรรมชาติของฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยมันจะปรุงแต่งเคลื่อนไหวมันต้องเคลื่อนไหวอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่ว่างเปล่าถ้าเราลอบๆตัวมันเนี่ยไม่ว่างเปล่าเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวปรุงแต่งอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่มันจะเคลื่อนไหวได้มันจะกระเพื่อมได้มันจะไหวตัวได้ มันจะมีปฏิกิริยาอะไรปรากฏได้มันต้องปรากอฏอยู่ในความว่างเปล่ามันต้มีต้องมีที่ว่างให้มันเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไหวตัวได้กระเพื่อมได้ถ้ามันแน่นไปหมดเนี่ยจนไม่มีช่องว่างเลยเนะไอธรรมชาติป่าที่กระเพื่อมหรือที่เรียกกับปรุงแต่งเนี่ยที่ไหวตัวที่กระเพื่อมเนี่ยมันจะกระเพื่อมไม่ได้มันจะคิดไม่ติดตองไม่ได้มันจะไหวตัวไม่ได้เพวันมันจะไหวตัวได้คือมีความว่าง มีความว่างมีพื้นที่ว่างมีพื้นที่ว่างให้ให้มันไหวตัวได้มันคิดให้มันนึกกันมันรู้สึกกันมันตึกมันตรองมันแสดงกิริยาการได้มันมีที่ว่างมันเลยแสดงมันจะมีกิริยาการที่กระเพื่อมไหวๆตัวได้ถ้าไม่มีที่ว่างเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกกระเพื่อมแไหวตัวได้นคือธรรมชาติเลยดงั้นจิตเราเนี่ยมันก็มีมันต้มีธรรมชาติของความว่างในจิตในจิตในใจเราเนี่ยมีธรรมชาติของความว่างธรรมชาติที่มันปุงแต่ง กับธรรมชาติของฝ่ายปุงแต่งคือมีความคิดในสึกตองปรุงแต่งที่มันเนี่ยก็เพื่อมที่มันไหวตัวอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็เพื่อไหวตัวอยู่ตลอดเวลาในใจที่ว่างเปล่านั่นแน่ใจแล้วก็พูดเปเพียงแค่เป็นชื่อสมมติใจแต่มันไม่มีตัวใจไม่มีรูปร่างใจไม่มีดวงไม่มีไม่มีก้อนอะไรหรอกมีแต่ความว่างเช่นเดียวกับความว่างเป็นเนื้อเดียวกับอวกาศเนี่ยมันไม่มีขอบเขตระอว่างแบ่งขอบเขตของใจกับแบ่งขอบเขตของอวกาศ ความว่างของอวกัยอะจากกันมันเป็นความว่างเดียวกันแต่ในความว่างหรือในเปรียบได้ในความว่างหรือความเงียบความสงบความสงัดภาย ใ, ในใจเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มันไหวไหวไหวไหวไหวเป็นความคิดไม่ติ้ต่อมันไหวไหวไหวมีธรรมชาติสองสิ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีรับปรุงแต่งเป็นผู้ดูผู้ไปรู้ผู้พยายามคิดวิเคราะห์วิจารวิจยัยเราจะไม่ถูกดูดเข้าไปในอะไร พอเราเนี่ยมีพยายามปรงแต่งผู้ดูผู้รู้ผู้วิเคราะห์วิจารวิจยัยหาเหตุนะครนนั้นถูกกระผิดพยายามจะดูให้รู้เหตุอยู่ภายในมันก็จะถูกดูดมันถูกดูดเข้าไปในถ้ำทำให้ตาแล้วหูเราเนี่ยมองอะไรได้ยินอะไรไม่ชัดเจนมันเบอเบอะมันเหมือนถูกดูดเข้าไปแด ง, แงๆเข้าไปมันเหมือนกับอืออืตื่อนๆเหมือนกับดูดเข้าไปแช่ยอยู่อะไร เพียงเรากลับคือสู่ธรรมชาติสองสิ่งนี้ใช่ไหนี่คือสิ่งหนึ่งไหวตัวอยู่ตลอดอีกสิ่งหนึ่งไม่ไหวตัวเลยไอ้สิ่งที่ไหวตัวเขาเรียกว่าสังขารสิ่งที่ไม่ไหวตัวเขาเรียกวิสังขารมันอยู่ด้วยกันนัะไงถ้าเป็นธรรมชาติทั้งคู่นี้ธรรมชาติที่เป็นวิสังขารเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมานส่วนเราเนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายวิสังขารธรรมชาติสังขารเนี่ยมันคือฝ่ายที่ปรุงแต่งกระเพื่อมที่ไหวตัวที่คิดที่มีความรู้สึกที่คิดติกตอง แล้วมันก็เพื่อมไว้ไว้ไว้อยู่นั่นแหละแต่มันไหวตัวอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปลุงแต่งในธรรมชาติที่เป็นวิสังขารเราเนี่ยเป็นเรียบเหมือนกับเราเนี่ยเป็นธรรมชาติปลายวิสังขารนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าไปทําให้เราเนี่ยยิ่งนิ่งว่างว่าไม่มีอะไรคือมัน เราเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรเลยนี่มีตัวเราไม่ใช่ว่าท่านท่านพยายามทำให้ตัวเราเป็นธรรมชาติที่นิ่งๆเลยไปปรุงแต่งให้ตัวเรามันนิ่งๆว่างๆเงียบๆไปอันนี้มันก็กลายเป็นไปปรุงแต่งเนี่ยมันก็มันชื่อก็บอกไปปรุงแต่งให้นิ่งๆให้ว่างๆเงียบๆไปมันต้องเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งมันจะมถ้ามันไปเข้าปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งทันทีเลยแม้แต่ท่านพยายามจะไปทามันนิ่งๆเงียบๆปรุงแต่งให้มันนิ่งๆเงียบๆว่างๆไม่ให้กระเพื่อมไม่ให้ไหวตัวอะไรมันก็เป็นชื่อก็บอกแล้เป็นธรรม เขาจะไม่กลายเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายมุ่งรู้แต่เนี่ยมันคือไม่ปรุงแต่งของมันโดยธรรมชาติมันมีการกระเพื่อมมันมีการไหวตัวไม่มีติกริยาอะไรเลยไอ้ส่วนธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันคือกระเพื่อมกระไหวตัวมีความรู้สึกและกิดติกต้องของมันอยู่ตลอดเวลามันเป็นธรรมชาติสองสิ่งแต่พอเราสันถามปุบท่านพยายามจะทําให้ไปปรุงแต่งให้ตัวเราไม่ไหวตัวให้มันนิ่งให้มันเงียบให้มันว่างอันนี้ท่านกลายไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแล้วไม่ได้เป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่ Blue เราจะไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแม้แต่เราจะไปปรุงแต่งให้เราเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งก็ยังปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าทองแท้กับทองปลอมเนี่ยไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยซึ่งเป็นวิสังขารมันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเนี่ยมันเป็นทองแท้ถ้าเราพยายามปรุงแต่งท้องยังไงก็ตามเนี่ยมันเหมือนปรุงแต่งทําทองให้มันเหมือนเปียกในทองคำเนี่ยมันปรุงยังไงให้มันมันให้เป็นทองคําถ้าเรา เป็นทองคาที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยไม่จะเป็นทองคําตามธรรมชาติอ่ะมันปรุงยังไงก็เป็นทองปลอมต่อให้ปรุงให้เหมือนที่ตุดนันก็เป็นทองปลอมเหมือนเพชรอีกเพชรเนี่ยถ้าเป็นเพชรมันก็ต้องเป็นเพชรจากแร่ธาตุเพชเป็นธรรมชาติแต่เราพยายามทําเพชรปรุงแต่งให้เป็นเพชรปรุงจนกระทั่งแบบว่าเป็นเพชรเหมือนเดะเลยแต่ปรุงยังไงอ่ะมันก็เป็นเพชรปลอมเหมือนยังไงก็เพชรปลอมทองยังไงถ้าพยายามจะปรุงให้มันเป็นทองแต่ปรุงยังไงก็เป็นทองปลอม ทองแท้มันต้องไปปรุงมันต้องไปทองที่เป็นธรรมชาติเพชรแท้มันก็ต้องเป็นมันไม่ใช่ว่าไปปรุงเป็นเพชรมันต้องเป็นเพชรที่เป็นธรรมชาติของมันคือเป็นเพชรธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยที่เป็นวิสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่กระเพื่อมไม่ไหวตัวไม่ปรากฏกิริยาการใดเลยมันเป็นธรรมชาติไปเหมือนกับมันเปียกได้เป็นธรรมชาติที่เงียบที่สงบที่สงัดที่ว่างเปล่าที่มันเป็นธรรมชาติเลย มันเป็นความที่ไม่ไม่ปรากฏกิกริยาการไหวตัวโดยธรรมชาติมันจึงเป็นไฟที่เงียบที่สงบที่ว่างเปล่าที่สงัดมันเงียบสงบว่างเปล่าสงัดเนี่ยมันเป็นโด ย, โดยธรรมชาติของมันเองที่ไม่มีการปรุงแต่งตัวมันเลยเงียบสงบสงัดแล้วก็ว่างเปล่าโดยโด ย, โดยตัวของมันเองโดยที่เราเราไม่ต้องไปปรุงแต่งให้มันเงียบสงบสงัดอนธรรมชาติที่มันเงียบสงบสงัดและว่างเปล่าเนี่ย เป็นเพราะมันไม่ปร MM ุงแต่งในตัวของมันเองเหรเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เปรียบเหมือนกับเป็นทองที่บริสุทธิ์เป็นเป็นเพชรที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติพอเราไปปรุงแต่งให้ตัวเราพยายามให้เงียบให้สงบให้สงัดให้ว่างเปล่ามันเลยเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเลยเป็นทองปลอมหรือเป็นเพชรปลอมมันไม่เป็นทองแท้เป็นเพชรแท้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติวิสังขารแท้ๆมนกลายเป็นวิสังขารปลอมไปเป็นฝ่ายปรุงแต่งค่ะ ที่จิงก็เหมือนมันไม่มีอะไรเลยมันก็สงบของมันอยู่แล้วเอออย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วแกนเดียวกันเรื่องแต่เราอะเอาความปรุงแต่งไปหาความสมบงบนี่ยอพอท่านไม่ปรงแต่งเลยปรุงแต่งอะไรทั้งหมดในตอนเนี้ยใจของท่านก็ ส, สงบสงัดเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติรอบตัวท่านตอนเนี้เรื่องแต่มันมีอีกมิติหนึ่งที่เราเข้าไม่ถึงเพราะเรามัวแต่เป็นฝ่ายปรุงแตง่งใช่พอเราไปปรุงแตง่งปุ๊บไอ้ความเงียมมบความสงบสงบัดก็เลยหายไปท่านเลยเข้าไม่ถึงมันครับจริงๆแล้วก็ ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมันก็เลยเป็นอันเดียวกันอืมแต่พอมันพอเงียบสงบเงียบเนียบเป็นธรรมชาติเนื้อเดียวกับธรรมชาติภายนอกรอบตัวท่านเนี่ยท่านกลับพยายามจะติดจับสภาวะอะไรสภาวะที่เงียบสงบสงัดเั็นไว้กลายเป็นว่าถ้าจะเอาธรรมชาติที่ปลงแต่งเป็นตัวของท่านเนี่ยไปจับยึดธรรมชาติฝ่ายไม่ปลงแต่ท่านก็เลยกลายเป็นความเป็นอวิชชาเป็นหลงไปอีก คือเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอยู่แล้วแต่ท่านกลับพอเจอสภาพที่ไม่ปรุงแต่งมันเงียบสงบสงัดเปเนื้อเดียวกับธรรมชาติภายนอกรอบตัวท่านในขณะนี้ยที่มันเงียบสงบสงัดไปหมดเลยตอนเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีการปรุงแต่งอะไรในใจของท่านไม่ปรุงแต่งอะไรตอนนี้มันในใจของท่านเนี่ยมันก็เลยมีความเงียบสงบสงัดเหมือนกับธรรมชาติข้างนอกอยู่้ะแต่ท่านเกิดความเข้าใจผิดมีความโลภท่านอยากเลยไปปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเป็นตัวมีตัวมีตัวจะไปพยายามจับ พยายามจับพยายามจำสภาวะที่ไม่ผุงแต่งเอาไว้พยาพยามจับพยายามจับไอ้ความเ ง, void, ยมงะยะียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าไว้จะจับมันให้ได้ให้อยู่มันอย่างนี้ท่านก็เลยหลงเอาตัวตัวท่านนั้ไปเป็นธรรมาชาติฝ่ายผูกแต่งนะถ้าไม่ได้รู้สึกว่าท่านเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ผุงแต่งความเงมียบสงบนี่คือเราความที่ไม่ผุงแต่งนี่คือเราแต่ไม่ใช่ว่ามีตัวเราที่เป็นปรุงแต่งคือมันเป็น เราเนี่คือธรรมชาติที่มันไม่ปรุงแต่งคือควาเมเงียบความสงบความสงัดว่างเปล่าจากตัวเราว่างป่าจากตัวตนแต่พอใจท่านเงียสงบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติภายนอกท่านกลับเขา้าใจผิดตอนเนี้ท่านพยายามจะปรุงแต่งเอาความธรรมชาติปรุงแต่งไปตัวท่านไปจับไปจำแต่จริงๆแล้วก็คือไปจสภาพว่าที่มันเงียสง บ, สงบสงบสงัด <คง S 2> อยู่ตลอดถ้ผมเข้าใจ แค่ตรงแล้วว่าแม้ความกระพื่อมันหมายอยากจะหยิบจับอยากจะคว้ามันหรือว่าอยากจะเข้าใจมันเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าผมจะเคลื่อนไหวความสงบสงัดอันนี้ยมันก็ยังคงมีอยู่ตลอดของมันมันไม่ได้มันไม่อยู่แต่ท่านไม่เห็นมาแล้วไงเพราะว่าในใจของท่านไม่ไม่ไม่ม่ไม่มีและธรรมชาติฝ่ายที่ที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะเพราท่านปรุงแต่งเป็นตัวฝ่ายฝ่ายท่านกลายเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่จะมาจับมาจับมาจําธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไว มันก็กลายเป็นไอความไอความธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะมันมีอยู่แต่มันไม่ปรากฏให้ท่านได้รู้เห็นอ่ะก็หายไปเลยมีแต่การกระเพื่มอย่างเดียวอเพราะว่าธรรมชาติของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะพอท่านเปลี่ยนเอาธรรมชาติของตัวเองไปเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งลุกความเงียบความสงบความสงดความว่างเปล่าที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันหายไปเลยเพราะท่านหลงผิดไปแล้วในใจของท่าน เราคือธรรมชาติที่มันไม่ไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขานั้นที่ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นความความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นความเมียบ ค, ความสงบความสง่างามความว่างเปล่าอยู่นะมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของมันเป็นธรรมชาติแท้ๆที่มไม่มันไม่มีใครไปปรงงุงแต่งให้มันเป็นได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอย่าไปปรุงแต่งถ้าเราพยายามไปปรุงแต่งให้มันเป็นอะไร่ะกลายเป็นธรรมชาติที่นเงียบสงบสง่า ความว่างเปล่าเนี่ยที่มันไม่ปรุงแต่ในธรรมชาติมันจะหายไปในใจเราเขาเ น, นี่ยไม่เข้าใจผมดูแล้วเธอจะไม่เข้าใจแต่เมืมงเง่อแกเข้าใจแม้เพียครับดวงตาก็มันเป็นอันเดียวกันมันก็เห็นมีอะไรเลย คือมันเป็นอันเดียวกันท่างกางความเปลี่ยนแปลงเหมือนมันมีแกนกลาแกนเดียวครับหลวงปาคือมันมันเป็นอันเดียวไม่เหมือนว่าเข้าใจอะครับหลวงตาคือเข้าใจสมมุติเฉยๆครับแล้วก็บุ๊ครู้สึกเอามันก็ไม่มีอะไรมันก็อันเดียวกันแต่ก็กลับมาทํายังไงจะเข้าไปตรงไหนก็เลยกลายเป็นความปรุงแต่งเลยครับแต่เข้าใจเลยว่ามันเหมือน มันเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับของตาที่เราต้องสงบสงบจริงๆคือสงบจากความปูงแต่งจริงๆนะครับอมันก็เหมือนปุ๊บพอคุณทสงบคุณก็เข้าไปเลยใช่เป็นเองโดยอัตโนมัติโดยธรนนมรมชาติใช่ครับคือคือ ค, คุณสิ้นความปูนแต่งพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรแม้แต่พยายามจะทำให้มันสงบเนี่ยแค่นั้นแน่มันก็กลายเป็นจิตตั้งเดือแท่แหรือใจเดือแท่แทโดยอัตโนมัติเลยมันเป็น เป็นความสงบงความสะอดกองว่างเปล่าโดยอัตโนมัติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัวท่านในขณะนี้เลยไม่เหมือนข้อเข้าใจทุกคนเฮ้ยไม่มีอะไร อ, ไรอันเดียวกันอเลยแต่พอท่านเข้าไปเจอสภาวะนะั้นแล้วท่านอา๋อการเป็นตัวเราไม่ใช่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งแล้วท่าพยายามจะปรุงแต่งมีตัวเราตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งจะไปจัดไปจำอะครับี่เอ้สภาวะที่มันไม่ปรุงแต่ง เพอท่านกระจายผิดตัวนะั้นธรรมชาติที่ไม่คุ้แต่งในใจของท่านมันหายไปเลยเพราะท่านกลายเป็นฝ่ายคุ้มแต่งไปแล้วท่านยังไม่มั่นคงอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกวิญญานิสวงันติกาไงคือท่านยังไม่มั่นคงอยู่ในใจโยญญานิสวงันติการคือมีความรู้สึกไว้ในใจอย่างมั่นคงแน่วแน่เลยว่าเรานี้คือธรรมชาติที่ไม่คุ้แต่งเลยเป็นพิสังณาไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีตัวต น, ไ ม, มวนไม่มีทุกร่าง ไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการไหวตัวอะไรอันเหมือนเข้าไปอีกห น, นึ่งจีนนะคแต่หนึ่งจีนนะต้องตื่นรู้แล้วก็ต้องตื่นรู้อย่างมากเลยแต่ว่ากลับกันก็กลับต้องสงบอย่างมากคือสุดจากความปุงแั่งมันมันก็เลยเพราะเบอร์เบอร์เข้าไปกัไม่ได้เบอร์เบอมันไม่มีผู้เข้าหรอครับ<อ>ไม่มีผู้เข้าไม่มีผู้ออก ถ้เรายังจะมีรู้สึกว่ามีตัวเราไปผู้เข้าไปถ้าจะเป็นธรรมชาติฝ่ายภูมแต่งอยู่ตลอดครับท่านยังไม่มั่นคงอยู่ในใจว่าเราเป็นธรรมชาติฝ่ายให้ภูมแต่งเราเป็นเพียงเดียวกันกับธรรมชาติฝ่ายไม่ภูมิแต่อท่านยังมีจะมีพยายามมีตัวเราเนี่ยเข้าไปในไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติฝ่ายไม่ภูมแต่งคือความเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ภูแต่งมันไม่มีขอบเขตมันเป็นธรรมชาติไม่ให้เราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้นทุกคน เราแท้จริงคือธรรมชาติฝ่ายไม skies, ่ปรุง <M> แต่งจิตดั้งเดิมแท้แคือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งนั่นแหะคือเราจิตดั้งเดิมแท้แท้หรือใจแท้แท้ใจดั้งเดิมแท้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมันก็แต่ท่าพยายามจะปุงมีเอาตัวเราไปเข้าเข้าไปถึงสภาวะของธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งกลายเป็นคนละตัวกันไปคือมีธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเปรียบเหมือนเป็นเมืองไว้แล้วเราพยายามจะเอาตัวเราเข้าไปในเมืองนั้นให้ได้เรากลายเราไม่เลยเป็นกายเป็นเมืองนั้นเราจะของท่านพยายามจะ อาุงเป็นตัวของท่านเนี่ยเข้าไปในเมืองของธรรมชาติฝ่ายใม่ปรุงแตง่งท่านไม่ได้เป็นธรรมชาติฝ่ายใม่ปรุงแตง่งแต่ท่านน่ยกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่แตกฮนะมันแตกตามต่างหากจากธรรมชาติฝ่ายใม่ปรุงแต่งท่านเลยพยายามจะเอาตัวท่านนี่ยเข้าไปหาธรรมชาติฝ่ายใม่ปรุงแตง่งจะเข้าไปให้ถึงสภาวะของธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งเนี่ยท่านก็จะผิดตลอดศาสร์ใดยังมีตัวผมอะ่ะมันก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ เพราะว่าแม้ว่าจะปรุงแต่งเพื่อจะเข้าไปในเมืองละ่ะคือปรุงแต่งสภาวะไว้ให้เองเข้าผมก็เลยยังมีการปรุงแต่งแล้วก็กลับไม่เห็นตัวที่พยายามจะปรุงแต่งเมืองไว้เพื่อตัวเองจะเข้าไปเพราะแม้มีเมืองที่ผมนึกไว้ก็เท่ากับมีตัวผมที่จะเข้าไปแต่ จ, จริงๆแล้วมันปรุงแค่นะี้มันต้องรู้ว่าตอนนี้มันปรุงอยู่มันถึงจะ ต้องพ้นกับตัวนนี้ตัวนี้ท่านเลยปุงสองปุงซ้อสเลยตัวเนี้ยคือปรุงธรรมชาติายเมื่อตรงแต่งมาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ที่กลายเป็นเหมือนกับปรุงปรุงเป็นเมืองเมืองหนึ่งไว้แล้วก็ปุงตัวเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจะเข้าไปในในเมืองนั้นเน่ยจริงๆเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นทั้งเมืองด้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นทั้งมีตัวเราเข้าไปในเมืองนั้นด้วยคือเราเนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเลยไม่มีเมืองแล้วไม่มีเมืองแล้วมีตัวเราเข้าไปในเมืองอะไรนั้นคือมันเป็นอันเดียวกัน เออ เ, เราเป็นเราเป็นเปนื้อเดียวกับธรรมชาติในปรุงแต่งนันไปเลยเราคือธรรมชาติไปในปรุงแต่งไม่ใช่นเนื้อเดียวกันมันไม่มีเนื้อไม่มีอะไรมีแต่ธรรมชาติในปรุงแต่งเปรียบได้กับความสงบความสงดัดความวา่างเปล่านี่คือธรรมชาติในปรุงแต่งส่วนธรรมชาติที่ไหวไหวไหวมีความรู้สึกมือคิดติดตองไหวไหวอยู่ในใจเนะ่ะมันเป็นธรรมชาติใส่ปรุงแต่งธรรมชาติสองธรรมชาติเป็นธรรมชาติทั้งคู่ มันอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแนะแต่เราเนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งอย่าหลงว่าเราเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งไม่งั้นเราจะปรุงแต่งไม่เริ่อยผมว่าท่านเกือบจะเข้าใจแล้วตรงนี้เหมือนกับแค่แต่เก็ตแต่แต่ปิ้งตรงนี้เมื่อแช้เข้าใจเลยครับหลวงมานะความเข้าใจมันก็ได้ไปครับว่า มีอะไรเลยมันอันเดียวกันเลยหมดเลยโพรา่าท่านไม่ได้เข้าใจอย่างเดียวนะตอนนี้คือ <c oughs> ใจท่านเป็นด้วยเป็น <c oughs> เป็นบางครั้งแหละเป็นบางขณะมันปุ๊บมันเป็นจริงเลย <c oughs> แต่ปุ๊บหนึ่งแล้วเนี่ยท่านก็เสียสูญนะครับผมไป <c oughs> ไปเสียสูญ <c oughs> อยากได้เลยตอนนี้ <c oughs> ใช่ครับเฮ้ยมันเข้าไปได้แล้วนี่หรอมันมีตัวเราเข้าไปแล้วก็อยากได้ตอนน้เสียเสียสูญเลยท่านท่านไม่โยนิโสไม่มีความมั่นคงไว้ในใจว่าเราธรรมชาติไม่ปรุงแต่งทาไมต้ต้องมีตัวเราเนี่ย ไปจำไปยึดหรือไปพยายามจะไปเข้าอยู่ในสภาวะของความไม่ปรุงแต่งไป <c oughs> ใจของท่า น, นยนันงไม่ได้โยนิโสมั่นคงไว้ในใจว่าเราเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรงแต่งไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการไหวตัวไม่มีกิริยาในตัวเราเลยเรานั้นเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งนั่นเลยนั้นเราเพียงแต่ว่าเราอย่าอาตัวเราเนี่ยไปปรุงแต่งอย่าเอาตัวเราไปพยายามตัวเราไปคิดไปนึกไปตึกไปตอไปหาเหตุหาผล พยายามจะทําอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเหยียบตัวเราไปพยายามพยายามมันเราจะกลายเป็นธรรมชาติปล่อยปรุงแต่งตลอดแต่ถ้าเราอยู่ในโสมนัสติกาลคือเรามีความรู้สึกในใจอย่างโดยแยกคายอย่างมั่นคงเลยว่าเราคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเลยเราจะไม่หลงตัวเรา๋ยไปแสดงกิริยาการไปทําอะไรให้เป็นอะไรไปคิดไปวิเคราะห์ไปหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลไปพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรอยู่เนะี่ยไปพยายามพยายามไปอยากอยากอยาก อยากให้ตัวเราไปได้อะไรไปเป็นอะไรอยากให้ตัวเราเข้าไปถึงสภาวะไม่ปรุงแต่งหรือพยายามไปปรุงแต่งสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งไว้คือไปปรุงแต่งความสงบความว่างเอาไว้แล้วก็ปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปในในความปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งเป็นความสงบความว่างไว้ไม่สองปรุงแต่งซ้อนเลยตอนนี้คือปรุงแต่งเป็นความไม่มีอะไรไว้ในใจอันหนึ่งแล้วก็ปรุงแต่งมีตัวเราพยายามไปถึงความไม่มีอะไรนั้น อันนี้มันเลยไม่พ้นความปรุงแต่งไปได้เราก็ลายเป็นปรุงแต่งทั้งคู่เลยตอนนี้ยปรุงแต่งเป็นความไม่มีอะไรปรุงแต่งเป็นความสงเฟความว่างเปล่าความไม่มีปฏิกิริยาการใดเลยปรุงแต่งเป็นความมิ่งๆิ่งไปเราพยายามปรุงแต่งเป็ตัวเราให้ไปอยู่ในสภาวะนั้นเมาเลปรุงแต่งตอนปรุงแต่งสองตัวเลยยความไม่ปรุงแต่งมันต้องไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติเราจะพยายามไปปรุงปรุง ความไม่ปรุงแต่งได้เราไปปรุงแต่งว่างๆปรุงแต่งให้นิ่งๆปรุงแต่งให้ไม่ปรุงแต่งแล้วมันปรุงแต่งไม่ได้เราพยายามไปปรุงแต่งไม่ให้ปรุงแต่งเนี่ยเชื้องก็บอกแล้วว่ามันมันปรุงแต่งพยายามไม่ให้ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งคือมันความไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเกียงแต่ว่าเราเนี่ยอย่าหลงไปธรรมชาติไปปรุงแต่งคืออย่าเอาไปคิดไปดึกไปตึกไปซองพยายามวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพยายามทำอะไรเป็นอะไร เดี๋ยว่อยากให้ตัวเราเนได้อะไรมีมีความรู้สึกหลงว่ามีตัวเราตัวเราตัวเราได้อะไรอยากให้ตัวเราเป็นอะไรอันนี้มันจะกลายหลงเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งตลอดแค่นี้พอเราสิ้นหลงปุ๊บมันก็จะเป็นอัตโนมัติคือเราจะเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งหรืออัตโนมัติแล้วก็มันก็มีปรากฏธรรมชาตไิไว้ไว้ไว้ในใจแต่เราไม่หลงไม่สงไปกับกริกริยาอาการไ ว, ไว้ไว้ในใจต่อไปแล้ว มันรู้สึมันอยากจะเข้าใจครับหลวงตาความพยายามอยากจะเข้าใจมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งถ้าก็หลงเอาเอ า, เอาตัวเราไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแตงง่งพยายามอยากจะเข้นความเข้าใจให้ได้ความรสึกเหมือนมันนิดเดียวครับหลวงตามันนิดเดียวคุณถ้าท่านยังพยายามจะเข้นท่านเข้าใจถ้าก็หลงกับ ว่าเราเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งตลอดก็ต้องไม่เข้าไปหลงไม่หลงเข้าไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปุงแต่ง เนี่ยพยายามไปคิดพยายามไปทำไปคิดค อ, อวิคอ์วิจารข้วิจัยข้างในในวิตกวิจารพยายามที่จะทำความเข้าใจพยายามจะคิดให้เกิดความเข้าใจให้ได้ตอนนี้ท่านหลงกตัวท่านจะเป็นธรรมชาติฝ่ายปรงแต่งนะ อย่างนี้มันก็ไม่เหมือนกับที่ติกโกตุลตาหาบัาวว่านิพพานคือจิตว่างงานอย่างนี้ท่านไม่ว่างงานนะเนี่ยข้างในท่านพยายามจะทําพยายามจะ ท, ยายาจะทาจําให้มันเข้าใจแค่นห้มันเข้าใจอย่างนี้ท่านไม่ว่างงานกายเลยท่านทํางานข้างในอยู่ใจอยู่ตลอดเวลาเลยแม้ว่ามันทํางานอย่างนีครับตุลตาเราก็รู้ได้ไหมครับว่าเหมือนเดินนี้สได้ตลอดไหมไม่ได้ไไดเราหลงไปแล้วนะเราล้มเหอวหลง เราเจะหลง<ช>แล้วเราก็จะรู้่เราหลงยังไม่ได้เข้าใจว่ามันแม้เราหลงทํางานอยู่เรารู้ว่าใจมันทำอะไรแต่ความว่างงานนั่นคือหมายความว่าความสงบมันก็ยังอยู่ของมันอย่างนั้นมันแยกกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราหลงไปเราหลงไปเปนฝ่ายปรุงแต่งน่ะไอสภาพตัวเราที่มันเป็นวิสังขารมันจะไม่มีอ๋อก็หมายความว่าเมื่อไหร่เราอัตโนมัติเราเข้าไปอยู่ฝ่ายไม่ปรุงแต่งแล้วว่า มันก็จะเราก็จะเป็นพวกนั้นแต่ความปรุงแต่งก็ยังอยู่แต่เราย้ายข้างมาแล้วใช่อ๋อเราก็เลยผมยังเข้าใจว่าระหว่างที่เราอยู่ฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยเราก็ยังเห็นฝ่ายปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นอ๋อคือถ้ามันขาดแล้วมันก็ย้ายขาดไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเออมันก็จะไม่มาเกี่ยวกับฝั่งนี้แล้วใช่แต่พอสมมติเราย้ายขาดปุ๊บเมื่อไหร่เราคิดว่าจะได้เราก็กลับมาเป็นพวกเก่าเอออ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเราย้า <laughs> ยข้างแล้วมันก็จบ ถ, ถ้าถ้าอย่างนั้นผมพอจะเข้าใจาแล้วครับหลวงตาเพราะว่าผมอ่ะยังมีเยื่อใยหงอยใยว่าถ้าไปเป็นฝ่ายไม่คุ้แต่งแล้วมันต้องกลับมารู้ฝ่ายคุ้แต่งไว้คือผมยังรู้สึกว่ามันจะต้องกลับมาแล้วมันจะต้องมีอันนึงที่อยู่ด้วยกันอย่างเีครับอกือบจะสิ้นคุ้มแต่งเข้าไปเลยอื บางครั้งมันยังหนแบบคล้ายๆเคยเห็นรับปั๊บนะครับหลวงตาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะต้องรักกลับมาอันนั้นมันไม่ถูกมันจะต้องกลับมาแล้วก็รู้ความคุงแต่งรู้เราตลอดแล้วก็มันมีความไม่ปุงแต่งอยู่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันตลอดอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือเราโยนิโสว้ผิดใช่อืมเพราะถ้ามันย้ายไปเป็นพวกเหมือนวะมันก็ต้องไม่มีใหญ่ๆกับพวกนี้ถ้ามีก็จะต้องกลับมาสองเข้าใจแล้วครับ มันเป็นความเห็นผิดอยู่ออ อ, อ๋อนี่โปะเออบอกไปเลยอ่ ะ, อะไม่เข้าใจเลยไม่ไม่เข้าใจพี่โอ้ก็หนูไม่เข้าใจในสมมุติที่เขาอ่ะออธิบายให้ฟังหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงบ้างเหมือนฟังภาษาเยอรมันเลยที่หนูแบบไม่เข้าใจเลยอ่ะ <laughs> แบบพอจะจับความได้บ้างว่าแบบคำนิปคำนี้นแปล ว, ว่าฉันแปล ว, ว่าเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ไอรวมเอามารวมกันหนูแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยอะอแล้วแล้วปอเข้าใจยังไงอธิบายเรื่องที่ที่ปอพอเห็นก็ก็คือว่าเออที่เรารู้รู้ทั้งหมดเลยอะ่ะคือ มันมันเป็นเป็นสมมติหมดหมดเลยทุกอย่างอะค่ะของตาแล้วก็คือการที่เราลงลงไปกระทำอะไรทุกครั้งทุกครั้งเลยปรับปรั บ, รบแต่งแต่งแต่แ ต, แ, ตแต่งปรับปรับเหมือนเราอะเอาตัวเราเน่ะไปยุ่งวุ่นวายกับของที่เขาของธรรมชาติที่เขาเขาเขาเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นนะคะ แ, แต่เราอ่ะเราเอาตัวเราน่ะ เขาไปจับหมดทุกอย่างว่าอันนั้นแบ่งกันนี้อันนี้แบ่งนั้นนั้นคือคือจะจะอธิบายจาัทิปอธิบายเป็นอะไรยังไงมันก็เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่กับกับของที่จะบอกว่าไม่ใช่แเข้าไปอยู่กับกับสมมุติหมดเลยอะค่ะหนูตา จริงๆแล้วเราเรายุ่งวุ่นวายแบบทั้งทั้งใจทั้งอาการของใจทั้งสังขารคือเข้าไปยุ่งไปตะลุมบอลแต่จริงๆแล้วธรรมชาติอะเหมือนกันหมดเลย เ, เห่ือนที่หลวงตาอธิบายให้ฟังว่ากินเขากระทำหน้าที่เดี่ยวของเขาอย่างนั้นเขาไม่ได้มาวุ่นวายเราเนี่แหละวุ่นวายกับกับกับของของ นอกนอกเราอะค่ะเราเองก็คือมันมันไปพยายามพยายามเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะเราได้แต่อยู่ของเราอย่างเงี้ยจนคือทุกอย่างมันต้องมันต้องเป็นไปโดยธรรมชาติของมันนะคะพี่ตาเรายุ่งเรายุ่งอะไรกับกับกับมันไม่ได้เลยอะค่ะ คือทุกอย่างต้องต้องต้องเป็นไปตามลดของธรรมชาติเขาอยู่แล้วสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราเองเราไปจัด ก, การหรือเราไปเราไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาไม่ได้เลยค่ะเราได้แต่อยู่อยู่ของเราแบบนี้ค่ะ ที่ที่เรายังรุ่นวยัยเรายังสับสนอยู่เพราะว่าเราเอาตัวเราไปจับกับอะไรหมดทุกอย่างเลยคะหลวงตามันก็เลยมันก็เลยไม่เป็นไม่เป็นธรรมอย่างที่หลวงตาว่ามันไม่เป็นจริงมันไม่เป็นธรรมชาติอย่างที่อย่างที่หลวงตาว่าเพราะว่าเรา เราเข้าไปคัดสัต์เรื่องสัตว์นี้นหมดทุกอย่างเลยค่ะเลยมีความเป็นตัวเราลงไปทุกอย่างเลยถ้าถ้าเราเราไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับกับทุกสิ่งทุกอย่างของมันก็จำดำเนินไปจนกว่าเราจะตายเป็นแบบนั้นนะคะค่ะถูกตุกถูกถูก ต, ต, ต, ต, ต้องเลยมีคำพูด วันนี้พอได้อ่านธรรมะขอ ง, ลงหลวงตาบัวค่ะมันเลยทำให้เราเข้าใจเข้าใจหลายๆเรื่องคือเข้าใจเนี่ยสิส่ง ท, ที่ที่อธิบายให้หลวงตาฟังว่าเอ๊ะตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยพอ ย, ยุ่งวุ่นวายกับกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะปรับปับแต่งแต่งแต่งแต่แตแตวทีนี้ท่านบอกเอ้าก็ เราธรรมชาติเขาตั้งอยู่ในกฎของใจรักเราเนี่ยสิไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเองมันเลยมีความเป็นเราขึ้นมามันไมเข้าใจเลยค่ะว่าเราเนี่ยไปประปรัดแต่งๆคือโกงธรรมชาติอะคะ่ะจะกลับเอาไว้เป็นของเรามันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยโดนโดนเก็บโดนกักไว้มีความเป็นตัวตนเหมือนกิเลสต่างๆที่เราเข้ามาเนะะี่ยค่ะคือรู้ไม่ทันมัน ก็เข้าไปปรับปัแต่งแต่เอาไม่เอาว่าเป็นกิเลสดีกิเลสไม่ดีมันเขามีของเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมันเลยนี่เป็นธรรมชาติค่ะของตาสาธุสาธุสาธุถูก ต, ต, ต้องแลว <c oughs>